พระธรรมเทศนาแผ่นที่61ดลำดับที่11โดยหลวงพ่ออินทาวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่30พิพฤษภาคม2557เมีชื่อเรื่องว่าพระป่าแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ล้องขยันเหลือเกินวะ ฝนจะตกเพหลวงพ่อเองก็อยากจะให้มันตกด้วยไม่อยากจะให้ตกด้วยทำไมทำไมอยากจะให้มันตกเพราะมันร้อนทำไมยังไม่อยากจะให้มันตกเพราะงานขุดสระของหลวงพ่อน่ยยังขุดไม่เสร็จก็เลยก็เลยไม่อยากจะให้มันตก แต่จะไปห้ามฟ้าห้ามฝนมันห้ามมาอยู่หรอกแต่มีแต่ในใจเท่านั้นนะเอ้ยถ้าตกชง น, นี่ก็คงจะยุ่งเพราะทหารเขากำลังขุดหลอกสะของหลวงตาหลอกสระหลวงตามาขุดสะไว้ตั้งแต่ปีเท่าไหร่ปีสามสิบกว่าคงจะ ช่วงช่วงกำแพงมะก่อนกำแพงหลังกำแพงของเราก็มันตื่นเขินตื่นเขินก็บ ก, กรรภกลางอย่างเก่านั่นน่ะหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่กรปกลางก็มาขุดลอกเดี๋ยวนี้กำลังทำกันอุดตลุดอยู่ย แมคโครต่างหลายคันแท็กเตอร์หลายคันรถสิบล้อขนดินหลายคันทาทำงานกันอย่างสุดๆเพราะเดือนนี้เป็นเดือนวันนี้ก็เป็นวันที่ส0สบนะวันที่ส0ิพฤษภาห้าเจ็ดถ้าเดือนมิถุนาเนี่ก็เป็นาทางบ้านเราก็ลูกผีลูกคนนะเรื่องตะดูฝน เพราะนั้นเขาก็เลยทํางานสู้กับดินฟ้าอากาศกลัวฝนจะตกถ้าฝนตกลมาแล้วเกิดทำงานดินทํายังไงได้รถจิบล้ อ, อ ก, ก็ติดกังรถแมคโครแท็กเตอร์ติดกังไปหมดนะว่าฝนตกเพราะนั้นหลวงพ่อเออถ้าเป็นไปได้อยากจะไม่ให้ฝนตกเรารอไปอีกสักอาทิตย์หนึ่งคงจะเสร็จได้งานนี้ แต่เขาก็พยายามเล่นเต็มที่เหมืนอนกันนะน่าเห็นใจทำงานกลางกลางวันทำงานหนักพอสมควรเมื่อวานหลวงพ่อไปฉันทุ่ที่วิทยาลัยวิทยาลัยสลพัฒช่างอุดร ทอดผ้าป่าสามัคคีเขาให้หลวงพ่อเป็นประธานหลวงพ่อก็ไปเป็นประธานแล้วก็เขาในมลแสดงธรรมด้วยแล้วก็ทางวัดเราเพื่อการศึกษาการศึกษาของวิทยาลัยนะครับว่าไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ยังเป็นเขาเลยจะทอดผ้าป่าเพื่อหาทุนเพื่อการศึกษาลูกหลาน ก็คนก็ไม่มากเท่าไหร่รคงจะเกี่ยวกับบ้านเมืองใครๆก็คงระมัดระวังในการไปไม่อยากจะชมนมก็อย่างนั้นก็มัง่งะแล้วก็ได้ปัจจัยทั้งหมดประมาณหลาน2อแสนกว่า บ, บาทเมื่อวานนะแต่ทางโลงพ่อสุดใจวัดป่าบ้านตาดท่านให้มา5 0 0แสนเมื่อวานนะรู้สึกว่าอู้ฟู่ พ, พอสมควรแต่สำหรับวัดของเรา เราก็เตรียมไปมอบให้ร่วมสมทบ้าป่ า, ม า, าเมื่อวานหนึ่ 0,000 วัดเหล่าน่ะหนึ่งแแล้วกัการเทศหลวงพ่ออีกหนึ่งหมื่แล้วก็ถวายหลวงพ่ออีกห้าพันถวายพระติดตามไปอีกสองค์องค์ละพันก็เลยใส่เข้าไปในนั้นนงหมดก็เป็นนั้นว่า ปัจจัยของวัดเราที่สมทบเข้าไปก็คงเป็นเงินหนึ่งแสหนึ่งละเมื่อวานนะเพื่อเป็นการศึกษานะเพราะนั้นพวกเราปัจจัยของวัดของเรานนะั้นช่วยไปช่วยมาช่วยหน้าช่วยหลังเมื่อวันก่อนอาทิตย์ก่อนอนั่นก็โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรเขาต้องการป้าย แล้วก็ต้องการห้องน้ำหลวงพ่อไปเป็นประธานทอดผ้าป่าอีกเหมือนกันได้เงินล้านกับห้ามือนแล้วก็วัดของเราร่วมสมทบไปห้ามือนโรงเรียนบันผือพิทยาสัรวัดของเราก็ช่วยสาธารณประโยชน์แบ่งหน้าแบ่งหลังแบ่งซ้ายแบ่งขวาอืม เดี๋ยวพวกเราทํามีปัญหาตามมาเขาดา่าเขาด่าแล้วเขายกย่องหลวงพ่อแต่หลวงพ่อไม่ได้ขอร้องแลอไม่ได้ห้ามเขาแต่เขาก็ออกน่หนังสือกรุงเทพธุรกิจกายใจเขาแบเขียนนยห้าขีด 31พอพคห7หนังสือมีชื่อลงพออ่ออินเทอร์เลอร์อย่พวกเราก็คงอยากจะรู้เหมือนกันผู้อ่านหนังสือไม่ออกเดี๋ยวจะให้ครูบัเสียงอ่านอ่านให้พวกเราได้ฟังว่าข้อความที่เขาเขียนลงเนะ่เขาเขียนว่าอย่างไงแต่ลงพ่อไม่ได้ขอร้องนะ แล้วก็ไม่ได้ห้ามเขาเพราะหลวงพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันเขาจะลงกรุงเทพธุรกิจหนังสือฉบับนี้แต่ว่าชื่อน่นนะพระป่าแห่งกรุงรัตนโกสินไม่ชื่อไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะตั้งชื่อชื่อโด่งดังเหลือเกินเขาหาสรรชื่อมาจากไหนก็ไม่รู้เนี่ย แต่ว่าอ่านค่อยอ่านเพียงครั้งเดียวเนทะ่านั้นอ่านเวลาเขาด่าหลวงพ่อก็เหมือนกันนะลูกหลานนะถ้าหลวงพ่อมีบัตรสนเทศมาหลวงพ่อก็อ่านอ่านครั้งเดียวเท่านั้นพอเข้าใจแล้วเออเขาด่าเราว่าไงหลวงพ่อก็รีบฉีกฉีกทิ้งเหือกันเถอะถ้าอ่านบัตรสนเทศเนะี่ยอ่านครั้งเดียวฉีกทิ้งเหมือนกันนะถ้าอ่านครั้งที่สองมันด่าอีกครั้งที่สองใช่ไหม ด่าหลายครั้งอ่านหลายครั้งก็ยิ่งด่าหลายครั้งใช่ไหมเพราะนั้นอ่านครั้งเดียวรีบรีบฉีกทิ้งกันเลยจำไว้นะลูกหลานถ้าเขาเขียนจดหมายมาด่าเราเนี่ยตรงพ่อเนีรับบ่อยลนะเกนะิดนะบัตรชนเทศยิ่งไปทําการทํางานยิ่งไปทําการ ท, า ท, ทํางานบัตรชนเทศนี่มาบ่อยงานใหญ่ใหญ่อย่างงานหางงานลงตาเนะี่ยเท่าไหร่มันกี่ฉ บ, บ, บับมันหกฉบับมั้ง ข่าวนั้นนะถ้าหลวงพ่อจะไม่ผิดนะหลวงพ่อก็อ่านแลวก็อแต่ก็มันก็เป็นกระจกเงาอันหนึ่งเหมือนกันนะเพราะการเขาด่าเนี่ยเราก็ต้องเราก็ต้องดูว่าเขาดา่าของเราดน่ยดายัางไงถ้าดา่าด้วยเหตุด้วยผลเราก็ถือเป็นตัวอย่างอืมใช่เขาพูดถูกเนี่ยเราควรจะปรับปรุงแก้ไขที่เขาพูดมา แต่ พ, พ, พูดพูดพูดมาแล้วดูดูแล้วมีแต่เรื่องอิจฉามันไม่เป็นอย่างที่เขาพูดเราก็ไม่รู้จะทำยังไองอีกเหมือนกันอย่างเขาด่าลงตาเหมือนกันบางทีเราตเขาด่าลงตาพด่าแล้วก็เราอ่านอ่านมกันมันก็มีส่วนบางสิ่งบางอย่างแต่ถ้าหว่าเราเอาเหตุผลมาพูดกันจริงๆแล้วมันก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเอาเสียงมาอ่านให้ นั่นดูสิในคณะสัายาติโยมีฟังดูสิเขาว่าอย่างไงนี่ที่เราเขาลงข่าวไปทั่วประเทศจากหนังสือกรุงเทพธุรกิจในชื่อพระป่าแห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระป่าแห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระอาจารย์อินทวายสันตุสโก พระป่ากรรมฐานสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตและเป็นสิทธิเอกของหลวงตามหาบัวญานสัมปโนโ ต, ตั้งคำถ า, ถามถึงความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานว่ามีเพียงพระพุทธเจ้าเท่านั้นหรือแล้วพระพุทธศาสนิกชนที่เดินตามรอยของพระพุทธเจ้ามามากกว่า 2,600 กว่าปีเข้าถึงความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้หรือไม่อย่างไรโดยในเรื่องนี้ ของคุณมณสิกุลโอวาสเพศัตแม้ว่าวันวิสาขาบูชาจะผ่านพ้นไปแล้วในปีนี้หากแต่ความหมายของวันแห่งการตื่นรู้ของพระพุทธเจ้ายังคงมีในยะให้เราได้ค้นหาอยู่เสมอจากคำคืนนั้นเมื่อ 2,600 กว่าปีก่อนของสัตบุรุษท่านหนึ่งนามเจ้าชายสิทธธัตสัตบุรุษท่านหนึ่ง ที่เพียรพยายามเผากิเลสจนเอาชนะมารทั้งสมแดนโลกธาตุกระทั่งไม่มีสิ่งใดที่จะทำให้ท่านสะทกสะทานได้อีกท่านจึงกล้าหาญที่จะประกาศนี่แน่นายช่างผู้ปลูกเรือนเรารู้จักเจ้าเสียแล้วเจ้าจะทำเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปโคงเรือนทั้งหมดของเจ้าเราหักเสียแล้วยอดเรือนเราก็รื้อเสียแล้วจิตของเราถึงแล้ว ซึ่งสภาพที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปมันได้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นแห่งตันหาวงเล็บนั่นคือพระนิพานภาวะแห่งผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมาถึงวันนี้เหตุใดยังมีผู้เดินตามองค์ภาษาสดายังไม่ขาดสายหากเราเป็นผู้ที่เคยท่องจําอริยสัจสีมาก่อนเคยสะดุดใจไม่ว่ า, วาการออกจากการขังของวัฏวนหรือวัฏสงสารนี้ คือทุกเหตุแห่งทุกการดับทุกและหนทางแห่งการดับทุกที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบนั่นต้องใช้เวลาภาคเพียรค้นมานานเพียงใดกว่าที่จะเป็นพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะมาตรัสรู้ในชาติสุดท้ายจนกลายเป็นพระพุทธเจ้าให้เราตั้งคาถามต่อไปอีกว่าแล้วมนุษย์ทั่วๆไปอย่างเราๆล่ะไม่ใช่ผู้ตื่นผู้รู้ผู้บกบาลเหลือหรือ และใครล่ะที่เป็นผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้รู้ที่แท้จริงตามแนวแถวสูตรการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าวางไว้ด้วยตัวของพระองค์เองจากพระพุทธเจ้าถึงวัดป่าหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกจเจ้าอาวาสวัดป่านาคำน้อยอำเภอนายุงจังหวัดอุดรธานีลูกศิษย์ของหลวงตามหาบัวยานสัมปันโมมีหลวงอาคือหลวงปู่จามมหาปุญโย ซึ่งอยู่ในแวดวงของพระป่าพระกรรมฐานสายหลวงปูม่มั่นภูริทัตโตเมตตาเล่าปฏิปทาของพ่อแม่ครัวอาจารย์ที่สืบทอดแนวทางการภาวนาอย่างไม่ขาดตอนสืบไปจนถึงพระพุทธองค์ได้ให้เราฟังว่าในคําสอนของพระพุทธเจ้าหลวงพ่อเองก็เน้นหนักในการปฏิปทาของคําสอนของหลวงปู่มั่นภุริทัตโตที่เราพูดยกยอหลวงปู่มัน่นไม่ใช่เรา ง, งมงายหรือลุ่มหลงหลวงปู่มัน่น แต่เหมือนกับเราเรียนกฎหมายเราจะไปอธิบายเรื่องบัญชีได้อย่างไรอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อเราศึกษาสายของหลวงปู่มั่นเราก็สันทั์ในสายปฏิปทาของหลวงปู่มั่นคือต้นตระกูลของเราหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงปู่ล่าหลวงปู่จามหลวงตามหาบัวท่านสอนอย่างไรท่านคือลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นเพราะฉะนั้นเราจะไปสอนสายสาขาอื่นไม่ได้ เราไม่ได้บังคับหรือใจแคบแต่เรารู้ในสายไหนก็สอนในสายนั้นสันทั์ในสายนั้นถ้าเปรียบเทียบว่าหลวงปู่มั่นสอนแปลกแบกแนวไปจากหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่เพราะเหตุผลอะไรเราเปรียบเทียบว่าเจ้าชายสิทธัตถะหนีออกจากเวียงวังทรงผนวดหกปีที่แม่น้ำอโนมาณทีในหกปีนั้นท่านทาอย่างไร ในพุทธประวัติท่านทำทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์ไปเรียนกับอาราระดาบทอุทธกาดาบทแต่ดาบ ท, ทั้งสองสอนแต่เรื่องสมาธิทำจิตใจให้สงบจนเกิดฌานแต่พระองค์ยังไม่พอใจกลับมาอยู่ตามลำพังศึกษาด้วยตัวของพระองค์เองกระทั่งวันเพ็ญเดือนหกนยายโสติยพรามหมาบยาคาผ่านมาเห็นเจ้าชายสิทธัตถะนั่งอยู่ตามลาพัง หลวงพ่อเล่าจนเห็นภาพทําให้ย้อนระลึกถึงเรื่องราวกับว่าการตัดสรู้ของเจ้าชายสิทธัตถะเพิ่งเกิดขึ้นเร็วๆนี้วันนั้นนายสุทิยะก็เลยนำญ่าคามาถวายพระองค์แปดฟ่อนเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะได้ญ่าคาแปฟ่อนแล้วก็นั่งเกลียย่าคาสลับกันไปทางทิศตะวันออกของต้นโพจากนั้นคงสลับหัวสลับท้ายให้เป็นอาศนะแล้วหันพระพักไปทางทิตะวันออก ในช่วงนั้นพระอาทิตย์ยังไม่ทันอัดสดงขณะนั้นเองพระองค์ก็ขึ้นไปนั่งขัดสมาธิให้มือขวาทับมือซ้ายขาขวาทับขาซ้ายทํากายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้าออกหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าและลมหายใจออกจากนั้นพระ哈尔ไทย ใจของพระ อ, องค์ทรงสงบรวมลงเป็นสมาธิเกิดฌานเกิดปุเพนิวาสานุสติญาณการร ล, ลึกชาติหนหลังได้เห็นว่าตายแล้วไม่สูญตามหลักพระพุทธศาสนาว่าตายแล้วเกิดพระองค์ทรงระลึกชาติแต่หนหลังเห็นว่าข้ามาจากไหนวิญญาณของข้ามาจากไหนท่านก็รู้ว่าท่านมาจากสวรรค์ชั้นดุสิตลงมาเกิดเป็นเจ้าชายจิทธถะ ก่อนหน้านี้เป็นพระเวสสันดรแล้วท่านก็ไล่พบไล่าชาติของท่านพอถึงเที่ยงคืนก็ได้บรรลุจุดตูปปตาตยานเห็นการจุติของสรรพสัตว์ทั้งหลายว่าแต่ละคนเกิดมาจากที่ไหนมาอย่างไรทําไมไม่เหมือนกันคนนี้ทําไมโง่คนนี้ทําไมฉลาดมีสติปัญญาเฉียบแหลมทําไมคนนี้มีนิสัยดีทําไมคนนี้มีนิสัยขี้โกงพระองค์ทรงเห็นว่า เป็นมาเพราะกรรมแต่ละคนมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามผู้ใดทํากรรมไว้กรรมนั้นย่อมสนองแล้วการที่คนได้พบได้ชาติอย่างในพบปัจจุบันมีที่มาตามกรรมอย่างไรหลวงพ่ออธิบายตามหลักธรรมว่าเช่นคนที่โง่ชาติที่แล้วเขาชอบดื่มของมืนเมาส่วนผู้ที่มีอายุสั้นชาติที่แล้วเขาชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างนี้เป็นต้น เมื่อใกล้สว่างเจ้าชายจิทัตถะก็ได้ตัดสรู้สัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยอริยมรรคมีองค์แปดโดยมีสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นและสัมมาส ม, มาธิเป็นลำดับสุดท้ายกระทั่งพระอริอทัยของพระ อ, องค์ทรงหมดจดจากกิเลสราคะโทสะและโมหะในคืนนั้นหัวข้อแนะนำการภาวนาตามรอยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ หลวงพ่ออินทวายแนะนำการภาวนาตามแนวแถวของหลวงปู่เสากันต์ศีโลซึ่งเป็นพระอาจารย์ของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตว่าท่านทั้งสองสอนให้นั่งสมาธิก่อนที่จะนั่งสมาธินั้นต้องกราบพระเสียก่อนกราบที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องมีพระพุทธรูปให้พระพุทธรูปอยู่ในใจของเราแล้วน้อมลําลึกถึงพุทโธธรรมโมสังโฆไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปถึงพุทธคยาเสียก่อน จึงจะพบพระพุทธเจ้าไม่ใช่เราน้อมถึงพุทธคยาน้อมถึงพระพุทธเจ้าในใจของเราแล้วสวดมนต์ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมและคุณของพระสงฆ์สามจบแล้วแผ่เมตตาเป็นภาษาใจว่าขอให้ข้าพเจ้าเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นทั่วไตรโลกธาต ก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาทุกๆดวงใจทุกๆวิญญาณด้วยเทินหลวงพ่อเนีอีกต่อไปว่าเราแผ่เมตตาเพื่อไม่ให้เป็นพิษเป็นภัยไม่ต้องจองเวีนจองกรรมกับผู้ใดใครทั้งหมดเพราะต่างคนก็ต่างมีกรรมของใครของเรามาเกิดเราจะไปผูกพยาบบาทอาฆาตกับใครจากนั้นก็ล้ากาพุทโทธรรมโมสังโคแถมท้ายด้วย นิพพานังด้วยนะกราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพื่อหวังพระนิพพานจากนั้นก็นั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายหลังจากนั้นแล้วให้ประนมมือเสียก่อนคือไหว้ครูเสียก่อนคือไหว้พระพุทธเจ้าส่วนที่เรานั่งภาวนาไม่ใช่คนอื่นสอนนะพระพุทธเจ้าประทานให้พุทโทธธรรมโมคือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าส่วนสังโฆ คือพระสงฆ์สาวกที่นำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาบอกกล่าวให้เราทั้งหลายได้ปฏิบัติพุทธโธธรรมโมสังโฆสามจบแล้วก็แผ่เมตตาอีกก็ได้ทำให้จิตใจเราอ่อนโยนไม่แข็งกระด้างแล้วก็อยู่กับคำบริกรรมพุทธโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโทรทุกครั้งในการทำสมาธิหลวงปู่มั่นบอกว่า ถ้าเรากําหนดลมหายใจเข้าออกธรรมดามันหลุดได้ง่ายให้เอาพุทธโธเข้าไปกํากับด้วยลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโธให้สติจับอยู่ที่ปลายจมูกเหมือนเรายืนอยู่ข้างประตูเวลาลมออกไปก็อย่าตามลมออกไปเวลาลมเข้ามาก็อย่าตามลมเข้ามาเพียงแต่ให้รู้ว่าลมเข้าลมออกให้มีสติอยู่ที่ปลายจมูกนี่คือกรรมฐาน เมื่อเรากําหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกไปเรื่อยๆจนพบกับสมาธิวงเล็บมีสมาธิสมขั้นคือคณิกะสมาธิอุปจาระสมาธิและอัปปนาสมาธิจนกระทั่งสติเป็นอันไหนจิตเป็นอันนั้นนั่นละ่ะให้เรารู้และเข้าใจว่าเหมือนกับการขับรถกายคือรถใจคือคนขับรถในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้ความสําคัญอยู่กับใจ เรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจโชเฟอร์เป็นใหญ่โชเฟอร์เป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยโชเฟอร์หลวงพ่ออินทวายกล่าวต่อไปอีกว่าสังขารต่อให้เราเลี้ยงดีแค่ไหนสักวันก็เห็นผมขาวเดี๋ยวก็เห็นฟันหลุดเดี๋ยวก็เห็นหนังเหี่ยวผลที่สุดก็เห็นตัวเองตายนี่คือร่างกายจบแค่นั้นแต่ใจคือโชอเฟอร์ ต้องออกจากรถต่างจากร่างกายถ้าโชเฟอร์ออกจากร่างโดยไม่มีทุนโชเฟอร์นั้นจะจนถ้าโชเฟอร์นั้นสั่งสมบุญกุศลก็จะได้กุศลเข้าสู่ จ, จิตใจออกจากรถคันเก่าก็ไปหาเลือกซื้อเอารถคันใหม่ได้หลวงปู่มั่นท่านก็สอนให้พิจารณาสมถะคือการทำจิตใจให้สงบทำจิตให้เป็นหนึ่งแล้วก็พิจารณาร่างกายพิจารณาอะไรในร่างกายของเรา คนมันหลงอะไรใจของเรามันคือโชเฟอร์มันหลงอะไรมันก็คือมันหลงรถที่ตัวเองเคยได้ใช้รถแบบหรูๆละหลามันหลงว่านี่คือรถของเราแท้ๆไม่ใช่พอวันหนึ่งมันหมดสภาพแน่ใจหรืออย่าหลงตัวเองนะถ้ามันไม่หลงร่างกายจะไม่หลงอย่างอื่นเลยทุกวันนี้ที่มันหลงที่มันวุ่นวายอยู่ก็เพราะว่าเราหลงร่างกายตัวเองทั้งนั้น ว่าตัวเองจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินหลงที่เขายกยอสรรเสริญเมื่อหลงตัวเองเลยหลงหมดทุกอย่างหลงสามีหลงภรรยาหลงลูกหลงหลานหลงทรัพย์สินสมบัติไปทั้งหมดทั้งมวลทุกอย่างให้ใจบอกกับตัวเองว่าอย่าไปหลงนะสักวันแกจะต้องทิ้งทั้งหมดกระดูกของแกก็จะทิ้งทั้งหมดสิ่งเหล่านี้อย่าไปคิดว่าเป็นของเราใจนั่นก็ต้องทิ้งนะ วางนะใจขนาดร่างกายยังไม่ใช่ของเราอย่างอื่นจะเป็นของเราได้อย่างไรให้โชเฟอร์ถามโชเฟอร์ให้ใจถามใจเมื่อใจถามใจจะไม่หลงไม่ลืมอันไหนควรทําอันไหนไม่ควรทําอันไหนเหมาะสมอันไหนไม่เหมาะสมอันไหนถูกต้องอันไหนไม่ถูกต้องโชเฟอร์จะต้องพิจารณาตัวเองเมื่อโชเฟอร์ปล่อยวางไม่ยึดมั่นยึดถือมั่นในตัวเองอีกแล้ว นั่นละ่ะมรรคผลนิพพานอยู่ที่นั่นอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจหรือเปล่าประวัติโดยย่อพระอาจารย์อินทวายอั ต, ตานังธรมยันติบันฑิตาบัณฑิตย่อมฝึกซึ่งตนพระอาจารย์อินทวายสันตุสโกหนึ่งในพระเถระเก้ารูปที่หลวงตามหาบุญยานสัมปันโนระบุให้เป็นผู้ดูแลพิไหกรรมสก ข, ขององค์หลวงตาหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกเกิดเมื่อวันที่ยี่สิเเมษายน พุทธศักราช2488ที่บ้านหนองแวงจังหวัดมุกดาหารโยมบิดายชื่อคุณพ่อแดงโยมบรรดาชื่อคุณแม่จอมแก้วผิวขำเป็นบุตรคนที่6ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด7คนหลวงพ่ออินทวายท่านบนรรพชาขณะที่มีอายุ11ปีณวัดกลางสนามอําเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารในปีพุทธศักราช2500โดยมีหลวงปู่กงแก้วคันติโกเป็นพระอุปชา บรรพชาแล้วได้ศึกษาอยู่กับหลวงปู่ล่าเขมปัตโตวัวดบรรพศคีรีหรือผู่จอกกอจังหวัดมุกดาหารเป็นระยะเวลา9ปีและได้รับการยติเป็นพระภิกษุที่วัดศิลาวิเวกอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารในปีพุทธศักราช2508โดยมีหลวงปู่คำคำพีรยาโนเป็นพระอุปชาเมื่ออุปสมบทแล้วบัณ พันศาแรกจำพรรษาอยู่กับหลวงปู่ล่าเคมอปะโตที่วัดภูช่อเกอ่อีกหนึ่งพรรษาหลังจากนั้นได้ไปจำพรรษาอยู่กับหลวงอาคือหลวงปู่จามมหาปุญโญที่วัดป่าวิเวกวัฒนารามบ้านห้วยทายจังหวัดมุกดาหารอีกหนึ่งพรรษาแล้วติดตามองค์หลวงปู่จามขึ้นไปจังหวัดเชียงใหม่และไปจำพรรษาอยู่กับหลวงปู่แหวนสุจินโนณวัดดอยแม่ปังอำเภอเพล้าจังหวัดเชียงใหม่เป็นเวลาหนึ่งพรรษาแล้วกลับลงมาจำพรรษาอีก ครั้งหนึ่งกับหลวงปู่จามมหาปุญโยจนในช่วงปีพุทธศักราช2512ถึงปีพุทธศักราช2525จำพรรษาที่วัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีกับองค์หลวงตามหาบัวยาสัมปโนช่วงออกพรรษาได้ลาหลวงตามหาบัวมาวิเวกแถบจังหวัดเลยอุดรห น, นองคายราปี2553เห็นว่าสถานที่ตั้งวัดป่านาคาน้อยแห่งนี้ เป็นสถานที่สปายะเหมาะสำหรับการภาวนาจึงได้ร่วมกับคณะสทายาิโยมพุทธบริษัททุกหมู่เหล่าร่วมกันจัดตั้งเป็นวัดป่าปฏิบัติในพระพุทธศาสนาเป็นสถานที่ฝึกอบรมทั้งร่างกายคือศีลธรรมและจิตใจด้านจริยธรรมให้เป็นผู้สมบูรณ์ทั้งด้านวิชาและจนะและจารณะควบคู่กันไปอ้างจากกรุงเทพธุรกิจ ฟังๆเราเนะีเขาพูดจริงเท็จยังไงเราอยู่เราอยู่ในเหตุการณ์เรามีสองหูฟังได้ทั้งนั้นนะเอารับพอนในแตนหน้า